จะมีกายกับใจแล้วก็ยังต้องสัมพันธ์สิ่งแวดล้อมรอบตัวทั้งผู้คนธรรมชาติรวมไปถึงหน้าที่การงานสิ่งเหล่านี้ที่อยู่รอบตัวเราก็มีความสำคัญกับชีวิตจิตใจของเราแต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็มักจะปล่อยให้สิ่งแวดล้อมภายนอกเนี่ยเข้ามาควบคุมบงการจิตใจของเรามากเกินไป หรือปุ่ยอียาเนื้อคือว่าเราปล่อยใจของเราให้สิ่งแวดล้อมภายนอกมันมากําหนดตกฎเกณฑ์จะสุขหรือทุกข์ก็เพราะอาศัยสิ่งแวดล้อมเนี่ยเข้ามาเป็นตัวกําหนดเราก็เลยเป็นทาตุของเหตุการณ์ต่างๆที่มากระทบใจเราก็ขึ้นแล้วก็ลงโอนเอียงแสบใจไปตามเหตุการณ์ภายนอกที่มากระทบกับตัวเรา ทั้งที่มันก็ไม่จําเป็นต้องเป็นอย่างนั้นก็ได้เพราะว่าจิตใจของเราถ้ามีฐานที่มั่นคงมันก็ไม่โอนเอียงมันก็ไม่สั่นไหวหรือว่าผันผวนป่นแปรขึ้นลงไปตามเหตุการณ์หรือสิ่งว่าล้อมภายนอกสติปัฏฐานนี้เป็นฐานที่มั่นคงแน่นหนาของจิตใจถ้าเรามีสติปัฏฐานคือความะระลึกรู้ในกายและใจ ตามเห็นกายและใจอยู่เป็นประจำเนี่ยมันก็ไม่ทำให้ใจเราขึ้นลงไปตามเหตุการณ์ภายนอกที่มากระทบแม้ว่าจะเจอสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาแม้ว่าจะประสบกับการสูญเสียเจ็บไข้ได้ป่วยใจก็ไม่ทุกง่ายๆสามารถที่จะประคองรักษาใจให้เป็นปกติอยู่ได้ตอนที่เหตุการณ์มันกระทบใหม่ๆก็อาจจะ ใจก็กระเทือนเพราะว่าตั้งรับไม่ทันแต่พอมีสติหรือว่าตั้งสติกลับมาได้มันก็ทำให้เราเนี่ยสามารถสงบนิ่งได้แล้วก็สามารถจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างถูกต้องคือไม่ปล่อยให้มันมากระทำเราฝ่ายเดียวเราก็เข้าไปกระทำกระทำในที่นี้ก็หมายความว่าตั้งแต่เ อ, อยอมรับมันว่ามันเกิดขึ้นแล้วไม่ร้วจะไป ตีโพยตีภายไปทําไมรวมไปถึงว่าเออแล้วเราจะจัดการแก้ไขมันอย่างไรรวมไปถึงว่าต่อไปจะป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่มันก็ต้องเริ่มต้นจากการที่มีสติตั้งรับเสียก่อนเพราะว่าถ้าไม่มีสติตั้งรับนิจใจมันก็ถูกสาการเหตุการณ์ภายนอกถุกกระชากลากไปการที่มีสติเนี่ยนะมันทําให้เราสามารถที่ประชิญกับเหตุการณ์ต่างๆภายนอกที่ไม่เป็นไปดังใจได้ แล้วก็ทำให้เราสามารถสงบได้ท่ามกลางความไม่แน่นอนท่ามกลางความผันผวนของสิ่งรอบตัวทุกวันนี้เราพยายามแสวงหาความสงบในจิตใจแต่ก็มักจะไปพึ่งพาสิ่งภายนอกว่าจะต้องสงบสงัดด้วยจะต้องไม่มีเรื่องเดือดร้อนใจมากระทบเราเช่นคนที่วุญวาอยู่ในเมืองก็ห น, นีมาเลือกที่จะมาอยู่วัดอยู่ป่าเได้ไม่ต้องไปฟัง เป่าคราวที่ทำให้เหลือเนื้อ้อนใจแล้วก็ไม่ต้องไปทำงานทําการตึงมันทำให้วุ่นวายจิตใจแต่และมาหยุดอยู่ในป่ายาี่แล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าทุกอย่างจะเป็นไปอย่างที่เราคาดหวังบางทีก็มีเสียงดังเข้ามาจากหมู่บ้านบางทีก็ช่างก็นะก่อสร้างเสียงดังที่ก็มีรถ10รล้อติดลมส่งเสียงเล่งเครื่อง ดังกระหึมเข้ามาอันนี้เราก็ต้องรู้จักมีสติแล้วก็รู้จักปล่อยวางไม่เอาใจไปผูกติดหรือไปเกาะอยู่กับเสียงเหล่านั้นซึ่งมีนติจะทาให้เรามีความหงุดหงิดำํำคัญใจเราต้องรู้จักฉลาดในการที่จะเอาเหตุการณ์เหล่านั้นแหละมาเป็นเครื่องฝึกสติของเราไม่ใช่มามัวแต่หงุดหงิดคอยนึกว่าเมื่อไหร่เสียงมันจะหายดังสักที อันนี้ไม่มีประโยชน์เราก็ควรฉลาดในการที่เออถือว่าเขามาฝึกสติให้เราว่าเราจะรู้ทันความหุ่นหงิดลําคาญใจไหมเห็นอาการที่มันบ่นกระปอดกระแ ป, อ ด, ปอดอยู่ข้างในหรือเปล่านะฝึกเอาไว้เวลาคนที่ทําหน้าที่รับผิดชอบต่างๆในครัวก็ดีตามส่วนต่างๆก็ดีก็พยายามมองว่าไอ้สิ่งต่างๆที่มันไม่เป็นไปตามแผนไม่เป็นไปตามใจเรานี่ นะมันก็เป็นเครื่องฝึกเราได้บางทีก็มีคนมาดึกๆึกเดิด น, ดนมาข อ, อมาหาที่พักเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะมีสติกับสิ่งเหล่านี้นะก็คือว่าพอจิตมันกระเพื่อนพอจิตมันลำคานอย่างนีขึ้นมาก็รู้รู้แล้วก็มันก็วางไปได้เองไอตอนที่ไม่รู้เผลอไปเผลอไปโกรธเผลอไปบ่นว่า มาไม่รู้จักเวลาเวลาอันนี้เราก็ไม่เป็นไรนะเผลอไปก็กลับมาตั้งหลักใหม่ได้ให้ถือว่าเออมาเป็นเครื่องฝึกเราถ้าเรามีสติอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเริ่มเป็นกลางต่อสิ่งแวดล้อมหรือต่อเหตุการณ์ต่างๆเป็นกลางก็หมายถึงว่ามันใจไม่ขึ้นไม่ลงเวลาเจอสิ่งที่น่าพอใจใจเราไม่ลอยไม่เลิง้งเวลาเจอสิ่งที่ไม่ถูกใจ ไม่เป็นไปตามความคาดหวังไม่เป็นไปตามแผนการไม่เป็นไปตามระเบียบการเราก็ไม่เพลิดเพไปกับมันการที่คนเราเนี่ยสามารถที่จะสงบได้ท่ามกลางไอ้สิ่งที่มันไม่แน่นอนเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากเพราะว่าชีวิตเราเนี่ยมันเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนสูงมากไม่ว่าเราจะวางระเบียบกฎเกณฑ์ไปอย่างไรก็ตามนะมันก็มีอะไรที่ไม่แน่นอนพวดพลาดโผลมาอยู่เสมอ เราต้องเรียนรู้ที่อยู่กับความไม่แน่นอนเพราะมันคือความเป็นจริงของชีวิตเพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยสตินี่แหละพอสติจะช่วยทำให้เราวางใจเป็นกลางต่อเหตุการณ์ต่างๆได้การที่คนเราจะสงบนิางกลางสิ่งแวดล้อมที่สังกัดหรือว่านิางกลางเหตุการณ์ต่างๆที่มันเรียบร้อยเนี่ยใครๆก็ทำได้แต่ว่าสิ่งที่ยากกว่าคือว่าแม้ว่าสิ่งภายนอก แหวแล้อมมันจะไม่เป็นไปตามแบบแผนมีเหตุการณ์ต่างๆเข้ามากระทบเราตลอดเวลาแต่ว่าใจเราก็ไม่กระเทือนใจแล้วก็นิ่งได้อันนี้สําคัญกว่าเวลาใจเราสงบเวลาอยู่ในป่าแบบนี้แล้วใจสงบเพราะว่าเราไม่มีงานการทําทุกอย่างมันมันเป็นไปตามวัฏจักรของมันนะยุก็อย่าเพ้อประมาทไปว่าเราปฏิบัติทําได้ดีแล้วที่จริงหม่เป็นเพราะว่าสิ่งแวดล้อมันอนํานวยต่างหา ในสาวุต ก, ก, การนี้ก็มีอาบดีเศรษฐีนีคนหนึ่งนึกสูว่าจะชื่อนางเวเทฮิกาทัานแกก็ก็ะยิมยิ้มย่องว่าฉันปฏิบัติธรรมได้ดีเพราะว่าฉันนี้ใจสงบครองเลือนก็ใจสงบได้แต่ว่ามีนางทาสีหรือทางท่าคนหนึ่งเนี่ยก็อยากจะทดสอบว่าที่สงบเนี่ยหรือว่าที่ใจนิ่งได้นี่เป็นเพราะปฏิบัติธรรมดีหรือเป็นเพราะอะไรกันแน่แวันหนึ่งก็เลยแกล้งนอนตื่นสาย พอนอนตื่นสายเข้างานการที่เตืองรับผิดชอบมันก็เลยไม่ได้ทําก็ทําให้กระทบกับงานอื่นนางเวทีการนี่พอรู้ข่าวก็โกรธเลยนะโมโหปลาอยเข้าไปดา่าโวยวายต่างๆไอความสงบที่เคยมีมาลายหายเสื้นมเป็นหมดนางทาสีก็เลยเชี่เห็นว่าโอ้เนี่ยที่สงบได้เนี่ยมันไม่ใช่เพราะอะไรหรอกเป็นเพราะว่าทุกอย่างมันอยู่ในโอวามันอยู่ในความควบคุมของตัวเองทุกอย่างมาเรียบร้อยมันก็เลยสงบได้ พอบางอย่างมันไม่เรียบร้อยขึ้นมามันไม่เป็ น, ป น, ปนไปตามใจเอาละคนนี้เสียสูญเลยอันนี้ก็แสดงว่ามันไม่ใช่เป็นเพราะาตัวเองปฏิบัติทำดีหรอกนะแต่ไม่เป็นเพราะว่าอาศัยสิ่งวัลล้อมท้านางเวทีกาฉลาดก็เออก็รู้ว่าเออนางทาสีนี้เข้ามาสอนสอนทำมาให้เราก็จะได้เข้มงวดหรือว่าฝึกฝนตนเองให้เข้มข้นมากขึ้นอันนี้แหละก็ ให้เราเนี่ยพวกเราที่อยู่ที่นี่ไม่ว่าจะมีงานและพิชิตหรือไม่มีก็ตามต้องถือว่าทุกอย่างนี่มันเป็นเครื่องฝึกแล้วก็พยายามเรียนรู้ที่จะวางใจเป็นกลางต่อสิ่งต่างๆ ท, ท, ที่มาสายเทตมาอยู่ปฏิบัติใหม่ๆที่วัดสนามในเนี่ยตั้งใจปฏิบัติมากตั้งใจขนาดที่เราว่าเวลาเพื่อนมาหาเนี่ยก็จะไม่พอใจไม่พอใจแม้กระทั่งเวลายโยมพ่อโยมแม่มาเราก็จะนึกในใจว่ามาทําไมคือเราเสือเข้ามารบกวนการปฏิบัติ อันนี้ก็เพราะว่าตัวเอยงยังไม่เข้าใจการปฏิบัติดีคือถ้าเข้าใจการปฏิบัติแล้วก็ต้องถือว่าการที่เพื่อนมาเยี่ยมการที่ยอมพ่อยมแม่มาเยี่ยมเนี่ยก็มาเป็นส่วนของการปฏิบัติเหมือนกันคือก็มาฝึกให้เราได้วางใจให้เป็นปกติจะไปคิดว่าการปฏิบัติต้องอยู่ในทางจงกรมการที่คนมาเยี่ยมแล้วเราพูดจากับเขาอย่างเป็นปกติมันก็เป็นส่วนของการเจริญสติเหมือนกัน ตอนนั้นไม่เข้าใจเพราะว่าเราไปเข้าใจว่าการปฏิบัติมันต้องอยู่กับการจงกรมสร้างจังหวะถ้าใครมาทำให้เราไม่ได้ทําตรงนั้นเราก็แสดงว่าเขาเป็นอุปสรรคเป็นมารที่จริงไม่ใช่นะการพูดการคุยก็เป็นการเจริญสติได้นะเวลาคุยแล้วเรามันเกิดเพลินเกิดฟุ้งขึ้นมาอาก็ได้เหตุใจของเราว่าเราฟุ้งไปแล้วให้กลับมาอยู่กับปกติซะาการเจริญสติมันช่วยทาให้เราเนี่ย สามารถที่จะเผชิญรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆได้ดีขึ้นแม้ว่าบางทีสติอาจจะเอาไม่อยู่ทีเดียวแต่ว่าก็อาจจะเปิดทางให้เอาปัญญามาใช้ได้อย่างเช่นเวลาเราเจ็บป่วยไข้นี่บางทีป่วยกายและจมนก็ป่วยด้วยมันรู้สึกว่าโมโหว่าทําไมต้องมาเปิด ต, ตอนนี้งานการก็ยังมีอยู่ข้างๆอยู่หรือว่ามันทําให้อะไรต่างๆเสียหายไปแต่พอเราตั้งสติได้เนี่ยแม้ว่าใจามันก็ยังป่วยอยู่ นะเพราะว่าอย่างปฏิบัติได้ไม่เข้มแข็งพอคือกายป่วยใจก็ป่วยด้วยแต่ว่าพอมีสติสักหน่อยก็มองเห็นอีกแง่หนึ่งว่าป่วยก็ดีเหมือนกันนะได้พักผ่อนตกงานก็ดีเหมือนกันได้มดี๋ยกลับไปอยู่กับพ่อแม่ได้ดูแลท่านไอการมองในมุมแบบนี้เนี่ยมันก็ต้องอาศัยสตินะว่าถ้าไม่มีสตินี่มันก็จะเอาแต่บน่นเอาแต่ต่อว่าเอาแต่หงุดหยิดอย่างนี้ทุกทีเลยนะเวลาจะเร่งรีบทำอะไรก็ดันป่วยซะ หรือว่าบนกับปอกแปลว่าทําไมต้องเป็นชั้นทําไมต้องเป็นชั้นน่ยอันนี้เรียกไม่มีสติแต่ถ้ามีสติเนี่ยแม้ว่าจะยังรับมือความเจ็บป่วยได้ไม่ดีแต่ว่ามันก็สติก็จะทําหน้าที่ไปดึงเอาปัญญามาใช้ให้หัดมองไปเน็งแง่บวกแง่ดีบ้างแต่ต่อไปถ้าเกิดปัญญามันถึงขั้นที่เข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นธรรมดาธรรมชาติมันเป็นธรรมดาจะเป็นเช่นนั้นเองตถตาถ้าเข้าใจถึงขั้นนั้นได้นี่ก็เรียกว่า เรียกว่าปัญญาพัฒนาซึ่งก็จะเกิดจากการปฏิบัติด้วย อ, อาศัยสติปัฏฐานนี่แหละนี่ถ้าเาเราสามารถที่วางใจเป็นกลางต่อเหตุการณ์ต่างๆที่มากระทบได้ต่อไปเราก็ยังสามารถที่จะวางใจผัสสะที่เกิดขึ้นหรืออายตนะที่เราได้รับรู้ไม่ว่าจะเป็นลูกรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่เราเห็นทางตาได้ยินทางหูหรือว่าได้ปลิ่นทางจมูกก็ตามผัสสะที่มันเกิดขึ้น เราก็สามารถที่จะวางใจเป็นกลางได้ไม่ว่าจะเป็นเสียงดังไม่ว่าจะเป็นแดดร้อนใจเราก็สงบได้อย่างที่พูดไว้พูดถึงว่าโลกร้อนอากาศร้อนแต่ว่าบุรุษไปสณีนี่สามารถที่จะทำงานรอส่งจดหมายท่ามกลางอากาศร้อนได้อย่างมีความสุขนะเพราะว่าร้องเพลงไปด้วยโลกร้อนแต่ว่าใจเย็นได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนของการทาให้ใจเนี่ยสามารถที่จะเป็นปกติ แน้ว่าไอ้ภาษาที่มามันจะชวนให้ทุกข์ก็ตามอันนี้เราก็เรียกว่าทางาภาษาพลักเลออินเซียสังวรอินเซียสองวอแปดตามตัวคือว่าการสำรวมในอินรีสำรวมในอินรีนี้ไม่ได้หมายความว่าไม่ใช้ตาหรือควบคุมบังคับตาควบคุมบังคับหูจมูกลิ้นกายนะความหมายมันดูมันจะเป็นอย่างนั้นมันก็ว่าสำรวมกายวาจาสำรวมกายวาจาก็หมายความว่าไป ดูแลควบคุมรักษากายวาจาไม่ให้มันวุ่นวายแต่ว่าสํารวมอินทรีย์นี่มันอีกแบบหนึ่งนะมันหมายความว่าไม่ยินดีรักษาใจไม่ให้ยินดียินไล่ไปกับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่ได้รับรูต้ตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าอย่างที่บอกไว้แล้วว่าคนเรานี่พอเจออะไรที่มากระทบมันไม่ใช่แค่ต้องเป็นเหตุการณ์เป็นเรื่องเป็นราวอะไรก็ได้เพียงแค่ได้เห็นได้ยินได้กลิ่นแล้วก็ที่มันไม่ ไม่น่าพึงปรารถนาเนี่ยมันก็ทำให้ใจนิทุกได้อันนี้เรียกว่าไม่มีอินทสียสังวรถ้าเราจะมีอินเสียสังวรเนี่ยมันเป็นเรื่องของใจที่ต้องอาศัยสติเข้ามารักษาใจมันก็เพื่อมก็รู้แล้วใจมันเผลอโกรธก็รู้แล้วอันนี้เราเป็นวิธีการที่จะทำให้เราเสามารถที่จะไปอยู่กับโลกภายนอกได้เดี๋ยวนี้เรามักจะใช้วิธีการควบคุมบังคับ ไม่ให้เห็นไม่ให้ได้ยินไม่ให้ได้กลิ่นเช่นควบคุมเด็กไม่ให้ดูโทรทัศน์ควบคุมเด็กไม่ให้ได้ยินอะไรต่างๆแล้วบางทีเราก็ใช้วิธีนี้กับผู้ใหญ่ควบคุมมีการเซ็นเซอร์ต่างๆแต่ที่จริงแล้วเนี่ยวิธีที่ดีกว่า น, นั้นคือว่าการฝึกให้มีมีอินเสียสังวรคือฝึกที่ใจให้มีสติใจที่มีสติเนี่ยเห็นรับรู้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็ไม่ไม่ทุกได้ทางพุทธศาสนาจะเน้นตรงนี้มาก ในสมัยพทธการก็เคยมีพรามณ์ผู้หนึ่งเนี่ยสนทนากับพุทธเจ้าก็บอกว่าวิธีการฝึกอินทรีย์ของตัวเองก็คือว่าไม่ให้เห็นรูปทางตาไม่ให้ได้ยินทางหูไม่ให้ได้กลิ่นทางจมูกก็พูดไปจนครบไอตนะห้พุทธเจ้าบอกว่าถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยคนตาบอดคนหูหนวกก็ถ้าก็เป็นผู้ที่ได้อบรมอินทรีย์แล้วพุทธเจ้าตัดต่อไปว่าวิธีการท่านเนี่ยมันก็ไม่ต่างจากการทําให้คนตาบอดหูหนวก การโัวรียนซีของพุทจาเนี่ยคือว่าไปอบรมนิธใจเป็นพื้นฐานก็คือว่าตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงใจมันก็ไม่กระเพื่อมแม้กระทั่งบางครั้งเนี่ยจะเจอภาพที่ไม่น่าดูแต่ว่าก็สามารถที่จะจะมองให้เห็นเป็นธรรมะได้มีพระเถระบางท่านนี่ท่านบำเพ็ญเพียรในป่าแต่และ ว, วันนี้ต้องเข้าเมืองแล้วก็ปกวันในเมืองนี่กำลังมีการแห่แหนมีนักร้องมา ร่ายรําแต่งตัวค่อนข้างจะโชบเฉียวใครๆเห็นก็เกิดการกําหนัดพราเถระรุมนี้ท่านเห็นนี่เนื่องจากท่านมีสติพอ ท, ท่านเห็นนี้ท่านก็แทนที่จะเพลิดเพลินยินดีท่านตั้งสติเป็นปกติแล้วกลับยังมองเห็นว่าภาพเหล่านี้ที่เห็นเนี่ยมันมันเป็นภาพที่ชวนให้สังเวชชวนให้สังเวชนี่จิตท่านหลุดเลยนะจิตท่านโปร่งได้เลยหลุดได้เลยนะบารุธรรม จากการที่เห็นหญิงสาวมาล่าลําอันนี้ก็เรียกเพราะว่ามีมีสติแล้วก็มีปัญญาคู่กันอันนี้เพราะว่าถ้ารู้จักมองมองให้เป็นก็เห็นทำได้ทั้งนั้นนะเห็นกรรมที่มันเป็นทุกข์เห็นกรรมที่มันหน้าสังเวชหรือว่าเห็นโทยของกรรมนะที่มันไม่ชวนให้หลงไหลก็ปล่อยวางได้อันนี้เรียกว่าอินเสียสองวอนที่เราก็ต้องมีฝึกให้มีกันแล้วก็จะฝึกให้มีได้ก็ต้องอาศัย ของจริงนั่นแหละนะก็คือว่ารูปลดกลิกก่นเสียงอะไรที่เข้ามาก็ถือว่าเป็นของดีที่มาฝึกเราไม่ว่าจะบวกหรือลบเวลาอากาศสบายสบายออใจมันเคลิ้มใจมันลอยเวลายมพัดเบาๆกระทบผิวหนังรู้สึกเกิดสุขเวทนาขึ้นมาใจมันขึ้นออก็มีสติรู้มันไม่ใช่ว่าจะใช้สติแต่เฉพาะตอนที่เจอหรือสัมผัสกับสิ่งที่ไม่ ไม่น่าพอใจไอ้สิ่งที่น่าพอใจนี่นแหละคือสิ่งที่เราต้องระวังเพราะว่ามันทำให้เราประมาทเวลาเรามีความทุกข์หรือเกิดทุกขเวทนาเนี่ยมันก็มีความพยายามโดยธรรมชาติอยู่แล้วที่จะพยายามที่จะหลุดพ้นออกจากสิ่งนั้นเพราะมันเป็นทุกข์แต่เวลาเจอทุขเวทนาเนี่ยใจมันจะเข้าไปครอเคลียกเข้าไปยึดเข้าไปหลงซึ่งก็ทําให้เกิดความประมาทขึ้นเราไม่ได้ตระหนักว่าไอ้ของเหล่านี่มันของชั่วคราวพอมันไปแล้วมันก็ถ้าเราหลงมลันเราก็ทุก นีนอกจากความเป็นกลางต่อลู่ร่างกินเสียงสัมผัสที่มากระทบหรือว่ามีอ e ินเสียสังวรแล้วเนี่ยต่อไปก็จะทำให้เราเป็นกลางต่อความรู้สึนกนึกคิดที่เกิดขึ้นในใจด้วยจริงๆอันนี้เนี่ยเป็นตัวพื้นฐานเลยนะความรู้สึนกนึกคิดที่เกิดขึ้นในใจเนี่ยมันเกิดขึ้นคนเรานี่ไม่ค่อยเป็นกลางต่อความรู้สึนกนึกคิดที่เกิดขึ้นในใจหรอกเวลาเกิดอารมณ์ขึ้นมานีโอทีแรกมก็อยากจะผลักใส่าอารมณ์นั้นนะเช่นอารมณ์โกรธอยา่าจะผลักออกไปพราะมันทําให้ใจร้อน แต่ทันทีที่ผลักนั่นแหละมันก็เข้าไปยึดทันทีเลยความเศร้าวความโศกเหมือนกันนะอยากจะผลักออกไปนะยิ่งผลักมันยิ่งผุดแล้วก็ไปยึดมันอารมณ์เหล่านี้เราไปยึดมันโดยที่เราไม่รู้เพราะว่ามันมีแรงดึงดูดมันมีลดมีชาติเราโกรธใครแล้วก็คิดครุ่นคิดกับคนนั้นเรื่องนั้นไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางจะนอนก็ยังคิดกินก็คิดเนี่ยมันเป็นการยึดเพราะเริ่มต้นจากความตั้งใจที่จะผลักแต่ยิ่งผลักมันก็ยิ่งยึด นี่เราไม่เป็นกลางต่อความรู้สึกในคิดที่เกิดขึ้นยิ่งความคิดเนี่ยมันก็ไปเลยนะคิดพอคิดเรื่องใดไ ด, ได้มันก็ไปเลยแลนะเพลินกับการคิดแต่ถ้าเรามีสติเนี่ยนะมันจะทําให้เราไม่เพียงแต่รู้จักปล่อยรู้จักวางนะแต่ยังทําให้เราเห็นมันตามที่เป็นจริงด้วยแลนะตรงนี้เป็นอานิสงส์เป็นประโยชน์ของสติที่สําคัญมากคือที่แรกเนี่ยมันทําให้เราสงบได้สงบเพราะรู้จักปล่อยรู้จักวางเพราะที่ไปยึดด้วยความเพลอ แต่เมื่อหายเผลอเกิดความรู้ตัวขึ้นมามันก็ปล่อยเมื่อปล่อยได้ใจก็สงบแต่ว่าความสงบในใจหรือความสงบที่เกิดขึ้นกับใจนี่มันก็แค่เป็นอนิสงค์ขั้นต้นของการปฏิบัติสิ่งที่สติมีประโยชน์ก็คือมันช่วยทำอร่อยเห็นด้วยเห็นอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นและเห็นแล้วเนี่ยมันก็ทําให้เกิดเข้าใจหรือรู้จักธรรมชาติของมันมากขึ้นเห็นว่ามันไม่เที่ยงเห็นว่ามันมาแล้วก็ไปเห็นว่ามันเกิดขึ้นประเดี๋ยวเดียวแล้วก็หายไป ใจที่มันเกิดขึ้นมันเป็นสายพราะเราไปปรุงไปแต่งมันเราก็ยังเห็นด้วยเออมันไม่ใช่เรานะตรงนี้สําคัญเหมือนกันนะมนไม่ใช่เราแต่ก่อนไม่เห็นเนี่ยมันเข้าไปเป็นเวลาโกรธเกิดขึ้นก็เราโกรธนะความโกรธเป็นของเราเวลาความคิดุดขึ้นมาในใจก็ไปยึดมันว่ามันเป็นเราเป็นของเราความคิดของเราใครไม่เห็นด้วยกับความคิดนี้ก็ถ้าอกว่าไม่เห็นด้วยกับเรามันกลายเป็นเราขึ้นมา เวลาทำปฏิบัติแล้วเครียดเครียนี่ก็ทําให้เห็นนั่นก็ไปยึดมันกลายเป็นว่าเราเครียดแต่ถ้าเห็นมันนี้เออความเครียดมันอยู่ในใจมันไม่ใช่เราเครียดนะมีนักปฏิบัติคนหนึ่งก็มาถามมาปรึกษาหลวงพ่อว่าท่านยังไงดีหนูเครียดจังเลยหลวงพ่อเองก็ไม่ได้ตอบแต่บอกวา่าถามไม่ถูกให้ถามใหม่แล้วก็ได้สติขึ้นมาก็เลยบอกว่าเนี่ยความเครียดมันเกิดขึ้นในใจหนูจังเลยมากจังเลย นต่างกันนะระหว่างหนูเครียดจังเลยกับความเครียดมันเกิดขึ้นในใจหนูเนี่ยหนูเครียดจังเลยนี่แสดงว่าเขาไปเป็นละเขาไปยึดมันละแต่ว่าหนูเห็นความเครียดมันเกิดขึ้นในใจนะความเครียดมันเกิดขึ้นในใจหนูเนี่ยแปลว่าเห็นแล้วล่ะเห็นแล้วเห็นแล้วความเครียดไม่ใช่เราความทุกข์มันก็ไม่ใช่เรานะแต่ถ้าไม่มีสติมันเราก็กลายเป็นผู้ทุกข์ทันทีการเห็นนี่มันสําคัญมาก มันไม่ใช่เพียงแต่ช่วยทําให้ใจเราสงบเพราะปล่อยมันปล่อยวางมันได้เท่านั้นแต่ยังทําให้เราเห็นมันว่าเออนึ่ไอ้ที่เราคิดมันเป็นเราที่จริงไม่ใช่เราความคิดไม่ใช่เราความโกรธไม่ใช่เราและต่อไปถ้าเห็นเวทนาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาเนี่ยแต่ก่อนไม่เห็นก็เออเราสุขนะเราทุกขแต่พอเห็นมันก็เห็นว่าเออสุขหรือทุกขมันเกิดขึ้นกับกายและใจของเราแต่ก่อน เวลาปวดก็โอ๊ยฉันปวดฉันปวดแต่พอมันเห็นเวทนาเขาเออปวดนี่มันเป็นกายที่ปวดนะไม่ใช่เราปวดจ้าพุทธทาสเขาเคยยกตัวอย่างว่าเวลามีดบาดนิ้วเนี่ยคนที่รู้สึกว่ามีดบาดฉันเนี่ยมันก็จะปวดมากแต่คนที่เห็นสักแต่ว่าเออมีดบาดนิ้วมันปวดน้อยลงมีดบาดฉันกับมีดบาดนิ้วมันต่างกันนะไมีดบาดฉันนี่มันแสดงว่าเข้าไปยึดว่าให้ความปวดนี่เป็นของฉันละ ฉันปวดฉันเจ็บกับเห็นความปวดความเจ็บที่เท้าที่มือหรืออะไรก็แล้วแต่นี่มันต่างกันนะมันจะเริ่มเห็นแล้วว่าเออไ อ, ไอที่ยึดว่าเป็นเราเป็นเรานี่มันไม่ใช่นะมันไม่ใช่เรานะไอตรงนี้แหละที่มันเป็นกุญแจรหรือเป็นบันไดสําคัญในการที่ทําให้เราเกิดปัญญาขึ้นมาเพราะว่าความล ห, าหลงนั่นแหละที่ทําให้เรายึดสิ่งต่างๆว่าเป็นเราเป็นของเราเริ่มตั้งแต่อารมณ์ความรู้สึกความรู้สึกนึกคิด ททั้งทีมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีนะแต่เรายังอดยึดเป็นเราเป็นของเราไม่ได้เช่นความปวดเนี่ยความปวดมันก็ไม่ดีความปวดก็ไม่ดีไม่มีใครชอบแต่ว่าก็อดไม่ได้ที่จะไปยึดว่ามันเป็นเราเป็นของเราอันนี้เพราะความหลงเพราะไม่มีสติสติมันเป็นตัวเรียกว่าไถ่ถอนเลยแล้วก็เป็นตัวสร้างความสว่างให้แก่ใจไม่ใช่ให้เกิดความสงบอย่างเดียวเกิดความสว่างเดือเออมันไม่ใช่เราเนี่ยอารมณ์ความรู้สึกไม่ใช่เราอ้ความปวดนี่ไม่ใช่เรา แในต่อไปไม่ได้เห็นนะว่าเอออารมณ์ความสึกก็อันหนึ่งนะจิตก็อันหนึ่งนะแม้กระทั่งความโกรธเกิดขึ้นกับใจก็จริงแต่มันต้อเป็นคนละอันกับจิตนะแต่พอไม่มีสติจิตก็เลยเข้าไปยึดมันแต่ถ้ามีสติเนจิตก็ห้อยห่างออกมาเห็นมันว่าเป็นคนละส่วนกับจิตแต่ก่อนไม่มีสติมันก็เหมือนกับว่าเราก็เข้าไปอยู่ในไฟเวลาเกิดความโกรธขึ้นมาเราก็เหมือนกับว่าจิตมันเข้าไปอยู่ในความโกรธมันไหลเขไปในความโกรธ แต่พอมีสติจิตมันก็ถอนออกมาความโกรธก็อันหนึง่งจิตก็อันหนึง่งแต่ตอนเด็การความป่วยก็เหมืนอนต่นก่อนไม่มีสติโอ้ยกายนี่ปวดกายนี่ปวดแต่พอมีสติเขาเออกายก็อันหนึงนน่งเวทนาก็อันหนึ่งมันก็จะเริ่มเห็นแยกกับเป็นส่วนๆเลยพราะไอ้ความคิดความรู้สึกหรือความสําคัญว่าเหมารู้ว่าเป็นฉันเนี่ยเป็นเราเนี่ยถ้าเป็นตัวการมากแต่พอเรามีสติมันก็จะเริ่มแยกออกมาว่าเออมันไม่ใช่เรานะที่ปวดไม่ใช่เรา มันเป็นกายที่โปวดหรือว่าที่ทุกไม่ใช่เราที่โกรธไม่ใช่เรามันเป็นความโกรธที่เกิดขึ้นในใจแต่ก่อนก็จะเป็นเห็นเพงว่าเออมันใจที่โกรธนะไม่ใช่เราโกรธนะใจโกรธแต่ต่อไปก็จะเห็นชัดว่าโกรธก็อันหนึ่งจิตก็อันหนึ่งอาจจะหลวงพ่อคำคิดว่ามันมันทะหลงมันทะหลงจากที่เคยเห็นอะไรรวมๆว่าเป็นเรากลายเป็นรูปกละนามกายกับใจก่อนนี้นั่นแหละก็ก็เป็นเราเป็นเราไปหมดแต่ว่าพอเจริญสติเข้าโอ้ มันเริ่มแยกแล้วว่าไม่ใช่เราแต่เป็นกายและใจฉันใช้คำว่าถลุมืนกันเราถลุงแล่ถลุงออกมาเป็นส่วนๆที่เดินนี่ไม่ใช่เราเดินนะมันเป็นกายที่เดินเป็นรูปที่เดินไอ้ที่คิดไม่ใช่เราคิดนะมันเป็นนามที่คิดมันเป็นใจที่คิดมันก็จะเริ่มเห็นไปเรื่อยๆมันจะเห็นจนกทั้งว่าไอ้ความเห็นการเห็นแบบนี้แหละที่ช่วยทําให้ความยึดติดถือมันว่าเป็นเราเป็นของเรามค่อยๆเริ่มสั่นคลอน มันเริ่มตั้งคำถามมันเริ่มสงสัยแล้วก็เห็นชัดว่าเออมันไม่ใช่เราอันนี้ก็เรียกว่าเติมปัญญาเข้าไปให้แก่จิตทีละนิดทีละนิดทาให้จิตได้เห็นได้เกิดปัญญาขึ้นมาทีละนิดทีละนิดแต่ก่อนมันหลงมันหลงยึดว่าเป็นเราเป็นของเรามีตัวสร้างตัวตนขึ้นมาเป็นเจ้าของความโกรธเป็นเจ้าของความทุกข์เป็นเจ้าของความคิดแล้วเราก็คิดว่าไอ้ตัวตนนี้มีจริงๆ ตัวเรามีจริงๆของเรามีจริงๆแต่ว่าพอมีสติเห็นเห็นเห็นเห็นอาการความรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นมันก็เริ่มเกิดปัญญาขึ้นมาคือเข้าใจเริ่มเข้าใจเริ่มรู้จักธรรมชาติของจิตธรรมชาติของความรู้สึกนึกคิดก็คือขันทั้งห้านั่นเองกายและใจคือขันทั้งห้านั่นเองขันห้าคือกายและใจในการเจริญสติเนี่ยนะเราก็ทําหน้าที่เพียงแค่ว่าเห็น เ, นเฉย ความรู้สึกนิคิดเกิดที่เกิดขึ้นไม่ว่ามันจะเป็นอกุศลเราไม่เข้าไปห้ามไม่เข้าไปกดไม่เข้าไปกําจัดมันถ้าเข้าไปทําอย่างนั้นก็แสดงว่าผิดแล้วพระพุทธเจ้าตรัสว่าเนี่ยสิ่งที่ต้องกําหนดรู้นะก็คือขันห้าในอริยสัจสี่ท่านบอง ก, กิจที่ควรทําสําหรับอริยรรสัจสี่เนี่ยทุกนี่เป็นสิ่งที่ควรกําหนดรู้อันนี้ก็สอนไว้ในปฐมเทศนาแต่ว่าในบางที่ท่านก็บอกเลยว่าสิ่งที่ควรกําหนดรู้คือ อุปทานขันห้าอุปทานขันหน้าคือขันทั้งหของปุถุชนธรรมดานี่แหละที่มันยังมีอุปทานอยู่ผู้ง่าคือว่าขันห้าเป็นสิ่งที่ควรกําหนดรู้กําหนดรู้คืออะไรก็คือว่าให้รู้เฉยๆรู้อะไรก็รู้เนี่ยความรู้สึกนิคิดที่เกิดขึ้นรวมทั้งรู้รูปด้วยนะรู้รูปที่มันเคลื่อนไหวไปมาไม่ต้องไปทําอะไรเพียงแค่รู้เฉยๆกาหนดรู้ในที่นี้หมายถึงว่ารู้เฉยๆนะไม่ต้องไปบังคับปรุงแต่งอะไรมัน มันเกิดขึ้นก็รู้ถึงแม้มันจะเป็นอกุศลก็ตามก็รู้ไม่ต้องไปละไอ้ส่วนที่ละนี่คืออวิชชาแล้วก็ตันหาส่วนที่ภาวนาคือทําให้มากคือสมถะรือวิปัสนาสนที่ทาให้แจ้งคือวิมุตต์อันนี้คันก็พูดในอีกที่หนึ่งนะไม่ได้พูดแบบแนวอริยสัจแต่พูดอย่างที่ว่ามาคือว่าขันห้าเป็นสิ่งที่ต้องกําหนดรู้กําหนดรู้นี่คือรู้เฉยๆนะบางทีไปก็จะกําหนดคือต้องไปทําอะไรคำมันมันก็บว่ากำหนดตรเกะ ภาษาไทยมันก็หลอกเราเหมือนกั น, นเวลาบอกกําหนดรู้เนี่ยเราก็ไปคิดถึงกําหนดชัดเจนนะซึ่งมันไม่ใช่มันกลายเป็นการควบคุมอันนั้นเป็นสิ่งที่ต้องรู้ส่วนสิ่งที่ต้องละคื อ, อวิชาและตันหาสิ่งที่ต้องเจริญให้มากคือสมถาวิปัสสนาแลนะสิ่งที่ต้องทำให้แจ้งหรือทําให้เกิดขึ้นก็คือวิมุตสิ่ะนี้เราก็ปฏิบัติด้วยหลัก ง, ง่ายๆคือว่าให้มันรู้เฉยๆรู้เฉยๆรู้เฉยๆ การรู้ใเฉยๆทำให้เราวางใจเป็นกลางกับสิ่งต่างๆได้เรื่องตั้งแต่อารมณ์ความสุขนึกคิดไปจนถึงรูปรสกิ่เสียงสัมผัสที่มากระทบแล้วก็ไปจนถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราแม้ทำให้เราปล่อยวางทำให้ใจสงบแล้วก็ทีละน้อยทีละน้อยก็จะเกิดปัญญาเข้าใจธรรมชาติความเป็นจริงของใจซึ่งก็จะโยงไปถึงเรื่องของเสียงต่างๆรอบตัวเรา